ท่นปิโยคาววจรทั้งหลายและบรรดาวบาสุบาสิกาทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้ว <c oughs> ต่อ น, นี้ไปโปรดประดับการศึกษาพระกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องหมวดของกสินต่อ เพราะว่าหมดข้อศินที่พูดมาแล้วนั้นได้พูดไปทั้งศ้ลินทั้งหมดเป็นสิทธิ์อย่างนี้กันเข้าอยู่ในลักษณะของฌานสี่มีการศึกษาด้วยกรรมาฐานคำบรรดาท่านหลายจงอย่าลืมอารมณ์อย่างหนึ่งนั่นคืออุททจะกุกุจจะได้แก่อารมณ์ฟุ้งซ่านของจิต นะกรรมาฐานจริงๆที่ปฏิบัติกันมามักจะมีความคุ่มเรื่องการทรงอารมณ์ตัวไม่อยู่ทั้งนี้ก็ขอท่านหลายจงอย่าลืมว่าคำอุทจาคมีอรมฟุ้งซ่านจะระงับได้จริงๆแต่พระอรหันต์เท่านั้น <c oughs> นอกจากนั้นจะไม่มีใครสามารถจะระงับได้อย่างจริงจัง เมือนมม่แต่การพูดสร้าง น, นั้นจะมากหรือจะน้อยกว่ากันเท่านั้นแตหากว่าท่านพูดใดสามารถจะทำจิตให้สงบจากอารมณ์ของความชั่วไปในด้นของอกุศลจิตน้อมไปในด้านของความดีมีพระอรรมทานสี่สิทหรือว่ามหาสติปัฏฐานสูตรข้อใดข้อหนึ่งในขณะที่ปฏิบัติรั้งหนึ่ง ช่วหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีห้านาทีสิบนาทีก็ตามก็ ed, จงภูมิใจว่าเวลานี้เราได้มีโอกาสชนะความชั่วคืนวันห้าหรื وت, อกิเลสได้ดแล้วแต่ได้ว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าวันครั้งหนึ่งเราชนะได้ 1, หนึ่งนาทีหรือสองนาทีหรือสามนาทีวันหนึ่งมีดเดือนหนึ่งมีสามสิบวัน อีหนึ่งมีสามร้อยหกิบห้าวันถ้าเราปฏิบัติระงับจิตได้อย่างนั้นครั้งละสองสาม น, นาทีถ้าสิบครั้งมันก็สามสิบนาทีเป็นต้นคิดว่าโอกาสของจิตเรายังน้อมเขาเ้าไปได้ของกุศลขณะใดาที่จิตสงัดจากกิเลสคือความชั่วของจิตจิตนอ้อมไปได้ของความดีมีพระกรรมฐานสี่สิบหรือมหาปฏิปฐานสูตรข้อใดข้อหนึ่ง ก็ควรจะภูมิใจว่าเรามีโอกาสชนะกิเลสได้บางตอนบางจุดถ้าเราสามารถทมชนะได้เรื่อยๆไปไม่ใช้กิเลสก็จะสลายตัวเหมือนกับเราขัดสนิมวัตถุที่มีสภาพใหญ่เราขัดได้ครั้งละน้อยๆแต่ขัดไปบ่อยสนิมก็หมดข้อนนี้มีมาชั้นใด <c oughs> แม่จิตใจของเราที่ถูกกิเลสพ่อก็เช่นเดียวกันถ้าขยันทำบ่อยๆไม่มีความประมาทไม่ช้าเราก็จะถึงความดีสำหรับในวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องกสินการปฏิบัติจับอกสินเป็นอารมณ์แล้วก็ทำตนให้เข้าถึงอรหัตผล สำหรับการปฏิบัติพระกรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัทจงศึกษาจริตหกให้เข้าใจและก็จงทราบ พ, พระกรรมฐานที่เหมาะกับจริตถ้าหากว่าปฏิบัติผิดมันก็เป็นผลร้ายแทนที่เราจะได้ดีเราก็กลับไม่ได้รับผลดีตามที่เราเสียเวลาไป ตัวอย่างของเรื่องกระสินนี้ก็เช่นเดียวกันจะลืมว่ากสินหกอย่างคือปัทวีกสินเตโชกสินวายโยกสินอาโปกสินแล้วก็อากาศกสินอาโลกรสินหกอย่างนี้ป็นกสินกลางท่านที่เจริญพระกรรมฐานจะมีจริตอะไรก็ตามสา ม, มารถปฏิบัติได้ผล ท, ทั้งที่สุดเหมือนกัน สำหรับกษินิกสีอย่างคือโลหิตเกสินกสินสีแดงปิตกากสินเกสินสีเหลืองนีลกสินกสินสีเขียวโอทาตกสินกสินสีขาวทีอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเหมาะสำหรับท่านที่มีโทสะจริตเท่านั้น คือหมายความว่าเป็นคนโกรธง่ายคนมีอารมณ์โกรธง่ายมีความฉุนเฉียวง่ายปฏิบัติกระรสินสี่ราการนี้เหมาะกับจริกของตนสำหรับวันนี้ก็จะขอนำประตรที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศา ส, สดาทรงทรงใช้ชชกรรมฐานเหมาะกับจริตโดยเฉพาะในด้านของกสิน มาแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัท ต, ตามสมควรกัเวลาความมีอยู่ว่าเมาืองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในสมัยนั้นสรอักสาวกขององค์สมเด็จพระโรมครูซึ่งมีนามว่าขามาพระสารีบุตรซึ่งเป็นอักสาวกฝ่ายขวา เป็นผู้ทรงปัญญาเลิศ ก, กว่าบรรดาภาสาวั้งหมดในกาลครั้งหนึ่งสาวอักษ า, าวะขององค์สมเด็จพระบรมสุคตมีสัวทธิวิหาริกคือมีลูกสิธิ์ท่านหนึ่งเข้ามาบวชท่านผู้นั้นตามธรรมบาลีท่านไม่ได้บอกชื่อ ใันบอกแต่เพียงว่าเป็นลูกชายข้านายช่างทองเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสวยฐานะดีพระสารีบุตรจึงคิดว่าคนหนุ่มอย่างนี้มีรูปร่างหน้าตาสวยฐานะดีอาจจะหนักไในโลกีวิสัยคือกามคุณจึงให้ประกรมฐานที่ปฏิบัติเบื้องต้นได้แก่อสุ ป, ปรกรรมฐาน สำหรับอสุปกรรมฐานคือการพิจารณาร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของสกปรกตามความเป็นจริงอารมณ์อย่างนี้เป็นเคเื่องตัดกรรมกมุลห้าคือพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นต้นแต่ได้ว่ากรรมฐานกองนี้ไม่เหมาะกับจริต ของพระลูกผู้เป็นลูกศิษย์ชื่อลูกชายในช่างทองพระสารีบุตรสอนให้เจริญกรรมฐานกองนี้ตลอดพรรษาคือนสามเดือนในระหว่างนั้นพระสารีบุตรกับพระพุทธเจ้าไม่ได้จําพรรษาอยู่ร่วมกันเป็นอันว่าพระลูกชายในช่างทองไม่มีโอกาสจะได้แม้แต่ฌานสมาบัติ ท่านภาษาได้บทก็คิดว่าพระองค์นี้คงจะไม่ใช่เป็นผู้ที่วิสัยของเราจะพึงทรมานได้คําว่าทรมานหมายความว่ากลับใจจากอารมณ์ชั่วหัหนเข้ามาหาความดีจะ ก, กลับใจจากอารมณ์ของจิตที่เป็นปุถุชนให้เป็นผู้ทรงฌานหรือว่าเป็นพระอริยเจ้า พระสารีบุดีใครก็รู้จักว่ามีปัญญาดีมากนอกจะองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพาเจ้ า, จาแล้วจะมีใครยิ่งไปกว่าพระสารีบตรไม่มีในเมื่อพระสารีบุตรเป็นอาดหันอากาสาวกฝ่ายขวาเป็นผู้เลืกก่อนกระคนทั้งหมดอาดหันทั้งหมดในด้านปัญญาแล้วก็ยังจะให้กรรมฐานผิด แก่กุลบุตรผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาหรือเข้ามาศึกษาตอนนี้ท่านผู้ฟังโปรดรับทราบไว้เสัยนิดหนึ่งปัญญาจะคิดว่าพระอรหันต์ขนาดนั้นยังมีความโง่ความจริงคำว่าอรหันย่อมต่กิเลสให้เป็นสมุทเทราหันเหมือนกัน พระหันสุขาวิปสัสสโกเทวิโชชลพินโย ป, ปิสันมิทัปปโตแต่ว่าพระอรหันตุกท่านจะมีความรอบรู้เท่าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีในอีกประการหนึ่งสาหรับคนที่เกิดมาในพระพุทธในเขตนี้ไม่ใช่ว่าพระอรหันตุกองค์จะสามารถทำคนทุกคนให้เป็นพระอริยเจ้าได้ ถึงมาว่าท่านผู้นั้นจะมีวัสนามบารมีเป็นพระอริยเจ้าเพื่อคนดีเกิดมานี้แบ่งเป็นสองพวกคือพวกหนึ่งบรรดาพระรหัสสาวกทั้งหลายสา ม, มารถจะทรมานใจกลับใจจากอารมณ์ที่มีกิเลสให้เป็นคนที่หมดจากกิเลสได้ไม่พวกหนึ่ง อีกพวกหนึ่งนั้นเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าโดยตรงคนอื่นไม่สามารถจะทำเธอให้เป็นพระอระหันต์ได้ที่เห็นได้ว่าเมื่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสตร์สดาห์จ ะ, สะเสด็จดับขันธสูตรพระปรินิพานค <c oughs> วามจริงองค์สมเด็จพระวิชิตมานจะปรินิพานในเมืองใหญ่ๆก็ทำได้ แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรต้องไปที่กุศิตนราฯมหานครทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระชินวร์ตั้งใจไปโปรดปริพาชกท่านหนึ่งซึ่งปริพาชกท่านนี้องค์สมเด็จสมมัชมุนีทรงทราบว่านอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระรหันองค์ใดสามารถจะทําท่านให้เป็นพระอริยะสาวกได้ นี่ขอได้โปรดทราบโดยย่อไว้เพียงเท่านี้ว่าการฝึกพระกรรมฐานนั้นในสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันการฝึกพระกรรมฐานนี่จะต้องเป็นคนที่สืบบำเพ็ญความดีคือบุญบา ร, รมีมาร่วมกันถ้าหาว่าต่างคนต่างพวกต่างหมู่ต่างคณะกรรมในการก่อนแล้วก็ไม่สามารถจะพูดให้เข้าใจได้เหมือนกัน บางท่านชอบใจพระองค์นี้บางท่านชอบใจพระองค์นั้นบางท่านชอบใจคณะโ น, น้นบางท่านชอบใจสำนักนี้ที่ชอบใจคือเข้ามาที่นี่ไม่ชอบใจที่นี่แต่ไปชอบใจที่อื่นก็จงอย่าคิดว่าท่านู้นั้นเป็นคนโง่จงทราบว่านั่นท่านไม่เคยอบรมความดีร่วมมากับคณะของเราหน้ดีแตชาติ มันเป็นเรื่องการอบรมกันมากับคนอื่นเพื่ได้พูดกันรู้เรื่องกันนี่ขอพูดเรื่องของพระช่างทองเมื่อพระสารดบุตรมาพิจารณาว่ากุลบทปุนนี้คงจะไม่ใช่วิสัยของเราที่จะฝึกฝึกให้เดอให้เธอทรงฌานเนือเป็นพระเดียจากได้ ท่านก็มาพิจารณาว่าเห็นแค่เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสงเคราะห์เธอได้เมื่อออกัรร์สาปรปวรณาพรรธสัญแล้วจึงได้พาเธอไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบิดาแก้วไปกราบทูลเหตุที่ฝึกให้ทรงทราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้พิจารณาด้วยอํานาจพระพิจารณา ก็ทรงทราบว่าสมเด็จพระวิชิตามารสามารถจะฝึกเธือให้ทรงความเป็นพระอาหารหันได้ฉะนั้นรพระองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีปุตตะโลก่อนสารีกุลบุทพูนใ ด, ดที่มีความปรารถนาดี มีศรัทธาที่ตถาคตไม่สามารถจะช่วยได้แล้ไม่มีถ้าเช่นนั้นขอสาริบทเธอจงกลับไปได้ปล่อยให้เธออยู่กับตถาคตเมื่อพระสาริบทกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระบทิตแก้วทรงทราบว่าลูกชายในช่างทองคนนี้เป็นคนสวยก็จริแลแต่ทว่าไม่ใช่คนมีจิตหนักในราคะจริต เพื่อมีจิตหนักมณิโทสาสจริตดังนั้นองค์สมเด็จพระธรรมสามิิเตียงเลือกพระกรรมฐานที่เหมาะกับใจของเธอเพื่อโลหิตตกะสินคำว่าโลหิตตกะสินนี่หมายความนึกกะสินสีแดงพระพุทธเจ้าจะได้ทรงนรมิตดอกบัวทองคำขึ้นดอกหนึ่งมีสีแดง แล้วก็ยื่นให้กับพระฝู่นั้นพระท่านนั้นมารับไปแล้วสมเด็จพระบาณิแก้วเจนิสงแนะนำว่าเธอจงไปนั่งที่กองทรายหน้าวิหารเอาก้านบัวปักลงกับทรายแล้วก็ลืมตาจำสีแดงให้ใหชัดให้จำได้ แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงแล้วก็ภาว น, นาคิดว่า น, นี่สีแดงสีแดงสีแดงถ้าภาษาบ า, าลีเขาบอกโลโหิตกัสีนง้งโลหิตกัสีนังถ้าบังเอิญภาพนี้มันเลียนไปจากใจเธอจงลืมตาขึ้นมันดูใหม่จำได้ภาพได้ดีแล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดง ทำอย่างนี้ตลอดไปจงกว่าจิตจะทรงตัวเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรรณทานคำแนะนำเพียงเท่านี้พระลูกชายในช่างทองก็นำดอกบัวทองคำที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงมอบให้แล้วก็นำไปเอาทำทไายเป็นกองบูลขึ้นแล้วก้านดอกบัวปักไป ลืมตายจำภาพสีแดงแล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงเมื่อจิตมันเลื่อนไปภาพหายไปจากความรู้สึกที่ความจำท่านก็ลืมตาขึ้นมาดูใหม่จำสีแดงของดอกโบจนทัดแล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เพียงครูเดียว ปรากฏว่าภาพสีแดงของดอกโบธงคําก็ปรากฏในจิตของท่านชัดท่านลืมท่านหลับตา น, นึกถึงภาพสีแดงเรื่อยๆไปจิตก็เริ่มเป็นสมาธิสูงขึ้นภาพสีแดงนี้ก็หายค่อยๆกลายเป็นสีเหลืองเหลืองอ่อนลงไปทุกทีทุกทีจนทั่งเป็นสีขาวตอนนี้ฉันเรียกว่าอุปจารสมาธิ ต่อไปจากสีขาวก็กลายเป็นสีแฝงเปร่าเป็นประกายพลิกเจนึกให้ใหญ่ก็ได้ยจนึกให้เล็กก็ได้เจนึกให้อยู่สูงก็ได้ยจนึกให้อยู่ต่ำก็ได้ใจของท่านทรงอยู่ในรมนั้นจิตมีความชื่นบานเป็นเอกคตารม์กับอุเบกขารม คือ ม, มาเอกกตตารมมาที่ว่าจิตจับถึงภาพเป็นเบอร์กรายพฤกนั้นชัดเจนแจ่มใสองเบคามรมอารมณ์ไม่ยุ่งกับอารมณ์ใดๆจับภาพนั้นโดยเฉพาะอยู่ได้นานพอสมควรเวลานั่นองค์สมเด็จพระพิชิตามานบรมศาสสนด า, ศ า, ศาอยู่ในพระมหาวิหาร ทรงพิจารณาด้วยอำนาจรพระพุทิญาณเขาทราบว่าเวลานี้พระลูกชายในช่างทองที่สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าให้ใช้ก้วสินสีแดงเปน็นนิมิตเวลานี้จิตเธอป่องใสทรงทานสีได้แล้วสมเด็จพระวัทีแก้วจงทรงพิจารณาต่อไป ว่าองค์นี้ถ้าเราไม่ช่วยเธอเพื่อความเป็นพระอริยเจ้ายิดทรงชาลีนได้แล้วแต่ว่าเธอจะสามารถทำจิตของเธอให้ตัดกิเลสเป็นสมุิเถรบ า, ารได้หรือไม่สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบโดยอำนาจพระพุทยญาณ ว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอก็ไม่สามารถจะช่วยตัวเองให้เป็นพระอรหันต์ได้จะได้แต่ทรงชา ล, ลกีดัะนั้นองค์สมเด็จพระชชนลสีเพียงทรงช่วยวิธีช่วยก็คือทรงนิลมิตรดอกบัวที่สีแดงมีความแจ่มใสนั้นให้มีสีเศ้าหมอง กลายเป็นของเก่าคล้ายๆกับว่าดอกบวจะแห้งเมื่อเริ่มแห้งลงไปแล้วพระองค์นั้นเมื่อพิจารณาภาพเก่าสินชัดพอมีความชื่นใจพอส์กับความต้องการยังได้ลืมตา ม, มาดูดอกัวก็ตกใจว่าเอ๊ะดอกัวนี่เป็นดอกัวทองคำมีสีแดง เมื่อองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้เราก็มีอาการแจ่มใสนีครู่เดียวเท่านั้นทำไมกลายเป็นบัวเก่าไหม้ความบัวแห้งไปแล้วคายความสดใสเธอก็พิจารณาถึงภาพนั้นแล้วก็หลับตาตั้งใจจับภาพนิมิจิตทรงตัว แล้วก็พิจารณาต่อไปว่าโอหนอะชีวิตคือร่างกายของคนเราใส่ก็ไม่สภาพเช่นนี้เดิมทีก็มีความป่องใสต่อไปก็มีการร่วงโรยไปมีความเหือดแห้งไปมีความแก่เข้ามาครอบงำความสวยสดงดงามมันก็จะสลายตัวเช่นเดียวกับดอกโบนั่น เมอหลับตาพิจารณาจะมีความชุ่มชื่นใจจิตใจจับอยู่ถึงกฎธรรมดาว่าความสดใสทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่มีตลอดการตลอดสมัยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความผ่องใสต่อไปมันก็ร่วงโรยแบบนี้ตอนนั้นองค์สมเด็จประมหาโมนีเพียงทรงนิรมิตให้ดอกบัวแห้งนั่งกลีบหล่นลงไปเหลือแต่ฝัก เกสรก็หลน่นเพราะเอานั้นลืมตายให้มันดูอ่าก็คิดว่าแล้วกันดอกัวนี่มาสักครู่แห้งเวลานี้กลีบหล่นลงไปซะแล้วเกสรก็หลน่นเหลือแต่ฝักแห้งติดก้านอยู่เย็นได้มาพิจารณาภาพดอกัวกับร่างกายของคนและสัตว์ก็มีความรู้ด้วยปัญญา ว่าในที่สุดร่างกายของคนและสัตว์และวัตถุธาตุทั้งหลายก็มีสภาพเช่นนี้ความแก่เข้ามาถึงแล้วยังไม่พอดียังมีความหง่อมเข้ามาถึงอีกจิตใจเธอกระโลงคิดว่าคันห้าคือร่างกายของคนคนดีของใสคนดีหรือว่าวัตถุธาตุทั้งหลายคนดีไม่เป็นของน่ารักไม่มีความจรังยั่งยืนไม่มีความถามวน ในที่สุดก็ยังมีความเศร้าหมองและร่วงโรยไปอย่างนี้จิตคลายจากความรักในระหว่างเพศตอนนี้องค์สมเด็จพระบรมมหกราชเกศยังได้ทรงอนุมิตรให้ดอก บ, บนหากเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนละเอียดลงไปกองกับทรายเมื่อพระนูกชายในช่างทอนลืมตาขึ้นมาดูก็ตกใจว่าโอโ้หนอ ดอกบัวทองคำมีความแข็งแรงร่วงโรยยังไม่พอยัหักละเอียดลงไปชิน่นี้ชีวิตตินรีของเราก็เช่นเดียวกันในร่างกายของบุคคลอื่นก็เช่นเดียวกันวัตถุธาตุทั้งหลายเราอื่นในโลกนี้ก็มีสภาพเช่นเดียวกันเมื่อมีความเกิดขึ้นมาในเบื้องตน้น เมื่อเกิดมาใหม่ๆก้าวเขไปหาความเจริญเดินทางเข้าไปหาความผ่องใสและแข็งแรงเมื่อมีความเติบโตถึงที่สุดเมื่อหมดภารคิจคืออายุแห่งการทรงตัวในความผ่องใสแล้วความเสื่อมก็เข้ามาถึงในที่สุดก็มีความตายเข้ามาถึงอย่างนี้ ถ้าเราจะเอ า, ารมณ์จิตของเรานี้มาเกาะตัวเราว่าร่างกายมันจะเป็นยิ่พึ่งสำหรับเราก็ดีมันจะอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยก็ดีไม่จะคิดว่าท่านผูดด้ใดผู้หนึ่งในโลกนี้ที่มีคุณกับเราท่านจะอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยก็ดี คือคิดว่าวัตถุธาตุใดๆที่ถือว่าเป็นสมบัติของเรานี้มันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยก็ดีเป็นอันว่าไม่มีแน่ความรู้สึกก็ท่านหมาคิดว่าเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้ น, ตนมันก็ต้องมีความแก่คือความรโรยไปตามระยะเวลาการ ในขณะที่ทรงชีวิตอยู่นั้นความบีบขั้นจากโกครคภัยไข้เจ็บมันก็มีเป็นปัใจจัยให้เกิดทุกข์และก็ในที่สุดมันก็จะต้องตายไปเหมือนกันดอกโบที่กำลังหักเรื่องกลัดเลีย่ออยู่กับพื้นทรายพี่จรนาไปแล้วก็คิดว่าเมื่อเราตายหรือเราไม่ตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายหรือว่าคนแลสัตว์ที่รัก ก็จำจะต้องชัดเาจาะแกกันเมื่อเราไม่ตายก่อนเขาเขาก็ตายก่อนเราทราบสมบัติที่มีอยู่อันนี้แตหากว่ามันไม่หมดดยก่อนเราตายเราก็ตายก่อนมันมันไม่จากเราก่อนเราก็จากมันก่อนเป็นอันว่าชีวิตและร่างกายไม่มีความหมายถ้าเรายังพึงต้องการความเกิดอยู่เพียงใด หมายความว่าถ้าจิตใจถ้าเรายังรักในรูปสวยในเสียงเพราะในกลิ่นหอมในรสอร่อยในสัมผัสระหว่างเพศหรือว่ามีความต้องการร่างกายของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความต้องการร่างกายของคนดีมีประความประสงค์จะยึดมัน่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายว่าเป็นสมบัยของเราคนดีอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้พร่อะไรเพราะกฎของธรรมดาสามารถจะต้องทําให้พัฒนาจากกันร่างกายของเรานี้เดิมเป็นเด็กเราก็เป็นเด็กเล็กต่อมาเป็นเด็กใหญ่เวลานี้เป็นเด็กโตขื้นเป็นหนุ่มต่อไปความแก่ก็จะเข้ามาครอบงำเราเช่นเดียวกับปู่ย่าตายายบิดามารดาของเราและในที่สุดร่างกายก็จะพังไป เพร น, นั้นว่าร่างกายได้หาความจีรังอย่างยืนหาความดีไม่ได้ท่านเราตัดสินใจว่านับตัณหานี้ต่อไปเราจะไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดว่าเป็นเราเป็นของเราร่างกายที่เราใส่อยู่ก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีว่ า, าทุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมดก็ดีไม่มีอะไรเป็นสาระไม่มีอะไรเป็นตันสารไม่มีอะไรเป็นที่พึ่ง เราไม่มีความปรารถนาต่อไปเมื่อจิตใจขเขาค่ะในช่างทองพิจารณาอย่างนี้แล้วสักครู่เดียวก็ปรากฏว่าท่านกะรลุอัลัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องราวของพระลูกชายในช่างทองมาเล่าสู่กันฟังเพื่อท่านั้นหลายจะได้สนับ จยเอาไปปฏิบัติสำหรับในคืนพวกนี้จะใช้จะสิงควบกับอริยสัว์สำหรับพวกเราจะปฏิบัติต่อไปนี่ขอบรรดาพระโยคาวาจรท่านหลายที่สนดับแล้วพระจงทราบว่าธรรมะที่นำมาแนะนำนี่เป็นธรรมะคำสอยขององค์สมเด็จพระบพเที่้วไม่ใช่ของกระผมขอท่านหลายต้องทำใจเช่นเดียวกับพระนายช่างลูกชายในช่างทอง แปลว่าท่านจะฝึกกสินกองใดกองหนึ่งก็ได้ตามอัจฉริยะสัยถ้าเพื่อความสบายไม่ลำบากไม่ผิจริตก็จงฝึกในเกสินหกอย่างคือปฐวีเกสินเตโชกสินวาโยกสินอาโปกสินอากาศเกสินอาโลเกสินอย่างนี้ไม่ผิดจริตของตนเพราะเป็นเกสินกลางจะมีผลธรรมดาท่านอย่างาย และต่อที่นี่ไปเขามรดาท่า น, นหลายปรณนาตั้งกายให้ตรงดับลงจิตให้มันกำหนดนู้รู้ลมให้ใจเข้า ใ, ใจออกใช้คำภาว น, นาและพิจารณาตามวัติยญาสายก้นเจ้าหัะจงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านท่านเห็นว่าสมควรสวัดี